ก็ขอนำน้อต่อพระนรไตไรต่อให้ความเคารพยังพ่อกลมผู้เป็นประธานสงฆ์ขนานี้เขากาสปะเตลานุเตละแล้วก็เพื่อนสาขธรรมที่เคารพทุกๆรูปเจริญพรในยังคุณแม่ชีในายอัตมอุบาสกบาสิกาหรือว่าที่มาร่วมทำบันิชานี้ทุกท่าน ตอนนี้ฝนก็ตกรับวันข้าวันเาเป็นชาววันอังคารที่23เดือนกรกฎาคมพุศักรา2556แรลมหนึ่งค่ำเราก็มารวมตัวกันเพื่อจะทำ กิจกรรมของชาวพุทธก็เรียกว่าเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ยเราก็จะอยู่กันในอาวาดในรั้วรอบขอบชิดรั้วที่อยู่ที่พักที่หลับนอนก็มีประตูมีที่มุงที่บังมิดชิดเป็นเวลาสามเดือนจนปาจะถึงวันออกพรรษาอันนี้ก็เป็นสมมติบัญญัติที่บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่ โบราณการผ่านมาแล้วเป็นพันพันปีเลยเ mm hmm. นื่องจากป่าลบถึงเหตุว่ามีฝนตกนี่แหละ mm hmm. ทำให้ผ้าสามผืนของพระพิจุมเปียกจนเป็นของหายาก mm hmm. จะตาก mm hmm. จะผึ่ง mm hmm. มันก็แห้งยากมันก็ทำให้ผูกพังเสียหายได้ง่ายอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ช่วงฝนตกเนี่ยเกษตรก ร, กรส่วนใหญ่ก็จะเพาะพืชพันธุ์ัญยาหารก็จะไม่มีเวลาต้อนรับพระสงฆ์แล้วก็ถ้าเดินทางไปจาลิกรอนแรมไปตามคันนาตามท้องทุ่งจะเหยียบย่ำพืชผลขาเสียหายได้แล้วก็มีอีกหลายสาเหตุ เช่นจะได้อยู่ฝึกัดปฏิบัติตนก็เรียกว่าจเจริญศีสมาธิปัญญาหรือว่าการฝึกสติปัฏฐานสี่การเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นเวนาตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเหมือนกับที่พระอัญญาโกฏัญญาได้ฟังธรรมเมื่วาแล้วก็บรรลุ เป็นพาาระอรหันต์พระสองรูปแรกคา<ม>นเทศเเรื่องธรรมจักรวาสะสตร<ม>เป็นเรื่องของตัวเรานี่แหละรูปทำนามทำคำให้ที่มันเป็นก้อนธาตุก้อนคำแต่ว่าปุถิชนคนทั่วไปก็ไม่ได้มาสนใจจ ะ, จะหลงอยู่จะสนใจอ ย, อยู่วัตถุกรรมคุณต่างๆตร<ม>งนี้แหละก็<ม>จะเป็นโอกาสที่กลับมาดูภายใน ตัวชีวิตชีวาของเราจริงๆเฉพาะที่เรามาอยู่รวมกันในคราวครั้ง น, นี้ัาษานี้ก็เชื่อว่าเราก็ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมีวุฒิภาวะมีคุณวุฒิมีการงานมีฐานะต่างๆมีญาติพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องวางกันมาเรียกว่าออกจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องโดยเรือแล้วอย่างนั้นนะเสร็จแล้วเราก็ ม, มาบวชกันอย่างเช่นเมื่อวานก็มีพระรูปสุดท้ายบวชมา จ, จารย์ัญชาด้วยกัน อ, อันนี้ก็เป็นลนักษณะของสมมติสงฆ์ที่เราสมมติเป็นจัดกันไว้ว่าถ้าจะบวชก็ต้องมีอุปชาอาจารย์มีกรรมาวาจาจารย์มีองค์สงฆ์ที่นั่งรวมกันเสร็จแล้วก็สมมุติกันขึ้นมายกขึ้นมป เป็นล้วนะของสมมติที่สงอย่านนะี้นญาติโยมคารวาตก็มีศีลแปดที่เรามาอยู่ร่วมกันที่นี่โดยสมมติบัญญัติแต่ว่าตัวหนึ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันก็คือการที่เราจะต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวซึ่งมันเป็นสภาวธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนก็ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะเข้าพรรษาไม่เข้าพรรษา มันเกี่ยวกับว่าวันไหนวันไหนมันก็เหมือนกันเวลาไหนเวลาไหนก็เหมือนกันมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอันนี้ก็คือการฝึกหัดเจริญสติปัฏฐานใน ว, วัาเรามาอยู่ร่วมกันที่นี่เราก็ใช้ลักษณะของการดูการเคลื่อนไหวของกายของจิตอาการของกายเป็นอย่างไรอาการของจิตเป็นอย่างไร สภาวะทำในทีมปรากฏขึ material, ints, head, ้นมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในภายนอกมันก็จะมาให้เราได้เรียนทุกทุกตนณฑ์ถ้ามีความรู้สึกตัวชัดเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกหัดเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะตัวนี้การดูลมหายใจท้องพองยุบพวเพื่อเห็นกายต่างความเป็นจริงเห็นอาการของกายธรรมชาติของกายตามความเป็นจริงก็เรียกว่าศัจธรรมนเนะ ในกายก็ก็จะมีอาการต่างๆมากมายแล้วเกินที่เราเคยหลงเป็นสุขเป็นทุกข์นามาเป็นสุขเป็นทุกข์ตอนนี้เรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวมีสติการรู้สึกตัวมีอาการต่างๆปรากฏเป็นตัวชีวิตขึ้นมาเช่นความคิดมันตัวสภาพธรรมที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลเราก็จะเรียนกันทั้งภาษาเลย 1วันสองวันสามวันจนถึงหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนปักปักแรกเราก็ปรับตัวก็หากันเช่นปรับตัวเข้ากับอากาศสิ่งแวดล้อมเคยอยู่สะดวกก็ต้องมาอยู่ลำบากเคยมาอยู่ห้องนอนใหญ่ๆแต่ว่ามาที่นี่มันเป็นห้องนอนเล็กๆขนาดเจ็ดคณสิบสองคือพัสกพฤษนะ มันเป็นเรื่องของห้องแคบๆที่อาศัยอยู่หลับนอนกันโดยเฉพาะกุติศาลาที่เป็นพระสงฆ์สร้างก็จะเป็นกุติเล็กๆตามพระวินัยบัญญัติแต่ว่าถ้าเป็นญาติโยมพระวาดสร้างให้หรือว่าพระวาดญาติโยมสร้างเองก็จะแค่ไหนก็ได้ก็เรียกว่าต้องตกลงในหมู่คณะร่วมกันอย่เป็นต้นก็เรียกว่ามัดมือชกกัน บันไดก็เป็นไม้หน้าสามเล็กๆหรือว่าประตูเข้าก็อาจจะเตี้ยๆไม่สูงมากนักก็ต้องเรียกว่าใช้ชีวิตขึ้นลงกุติสาราอย่างละมันรอนทีเดียวหรือว่าการเดินทางมาทำวัดฝนตกก็าจจาะมีดินที่มันเป็นดินเหนียวดินภูเขาแล้วก็ลื่นแล้วก็มีความลาดเอียงมีความชัน ถ้าเดินแต่ละก้าวเราไม่ระมัดระวังมันก็อันตรายเป็นต้นการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการขับถ่ายเราก็จะได้ฝึกตนสอนตนกันโดยผ่านความรู้นื้อตัวรู้สึกตัวการยืริางสติตัดขานสี่ท่า ต, ตื่นยันหลักทั้งหาโอกาสทั้งฉวยโอกาสเป็นอย่างไรที่เราหาโอกาสฉวยโอกาสกเช่นว่าเราหาโอกาสมาบวชอย่างเนี้นะ จนทางบัดนี้เราก็ได้มาอยู่วัดอยู่วากันหรืว่ามาจําศีลกว่าจะอนุญาตยอมรับให้อยู่จําศีลสามเดือนก็ต้องมีการพูดคุยสักถามตอนนี้เราก็ช่วยโอกาสที่จะใช้สถานที่ใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันอย่างผาสุขแล้วก็ฝึกสติสมัมปชัญญะกันให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเย่าเป็นตน้นการปรับตัวเข้ากับอาหารการกบฉัน บางทีอาหารแล้วก็ไม่คุ้นอย่างไงนะี้ยนะหรือว่าอุณหภูมิต่างๆที่นี่จะมีอากาศเย็นทั้งปีบางทีเราอยู่อากาศร้อนๆมาพอมาอยู่อากาศเย็นก็ไม่ค่อยสบายเคยอยู่กับที่แห้งมามาอยู่ที่ชื้นนี้ก็เป็นการปรับเนื้อปรับตัวทีเดียวประมาณสักสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนแต่ถ้าเราฝึกหัดจริงๆแล้วก็ประมาณสักสามวันห้าวันจะปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับกิจวัตรประจําวัน เ ว, เวลาเถึงการขบการฉันการกินกัรขับถ่ายมาจะปรับตัวคมกเลือนกันที่เหลืออยู่แล้วก็จะเจริญสติฝึกสติให้มีสติรู้จึกตัวที่ฐานกายเป็นปิญญวันขนะหนึ่งให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงจนกระทั่งรู้ทันความคิดเนนะที่นี่มีการเจริญสติประฐานแนวเคลื่อนไหว ที่เราเชื่อกันว่าหลวงพ่อเขียนท่านรู้มาจากหลวงปู่เทียนหรือว่าหลวงปู่เทียนท่านก็รู้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านแล hm Native icamente, er. women, hing, ้วครูบาอาจารย์ของท่านก็รู้มาจากองค์สมเด็จสัมมาว่าเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะต่อต่อเป็นท่อเป็นท่อเป็นท่อขึ้นไปเป็นหลักการการตั้มสอนที่เป็นศิษธรรมที่องค์สมเด็จสัมมาว่าเจ้าชี้โดยเพราะเมื่อวานน่ะนะพระอัญญากรัญญะบรลลุธรรม จ้ทั้งมาถึงวันมาฆบูชาที่เมื่อกี้เราสวดมนต์กันสัสปปาปัสสังการละนังปุจราระสุภาษมัตาสัจจิปะ ร, ร, ริโ ย, ท, ยทัปะนังเอตตามาสาวสังมันเป็นวันมาฆบูชาที่พระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน1250อรยาิูปนีก็คือมีเหล่าพระอรหันต์ที่บวชโดยโอสมเด็จสัมมาวุ่นเจ้า 1250รูปในเวลาเจเดือนตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันเพนเดน3ามองสมเด็จสามาแลเจ้าทำเรื่องยากแห้เป็นเรื่องง่ายคือทำเรื่องนามธรรมนั้นแทนเป็นเรื่องของจิตใจชีวิตมนุษยชาติทุกๆชีวิตที่ได้สดับตักฟังในสัมผัสได้จนรทั่งมีคนบรรลุธรรมหนึ่งนคนมันก็ยังมีกลิ่นไออยู่เลยเพราะ หลวงปู่เทียนจิโรโพเนท่านได้นําเสนอวิธีการที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยความทุกข์มันลดลงหรือว่ามันหมดไปหลวงปู่เทียนบอกว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากความคิดหลวงพ่อเขียนท่านก็พูดว่าโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าตัวลักคิดตัวนี้นะองสมเด็จสัมมาจ้ากําหนดไว้ให้ว่าเป็นตัวสังขาร จิตคิดเนี่ยเป็นตัวสังขารการปรุงการแต่งซึ่งมันก็เป็นจริงๆในตัวเราขณะนี้เหมือนกันการปรุงการแต่งต่างๆปรุงแต่งเป็นสุขปรุงแต่งเป็น<ม>ทุกข์หลวงปู่เทียนเรียกว่าผิดปกติสุขก็ผิดปกติทุกข์ก็ผิดปกติ<ม>ไอตัวปกติจริงๆก็คือการรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ รู้แล้วก็เฉยๆรู้แล้วซื่อๆหลวงปู่ปเทียนใช้คำว่ารู้แล้วมันจืดรู้แล้วมันจืดปกติรู้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียินร้ายแต่พอมันมีความรู้สึกตัวมันจะรู้เฉยๆรู้จืดๆเราก็ฝึกหัดตั้งแต่คลิกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมจนทั่งกระพริบตาหายใจ แล้วก็เคลื่อนไหวเลยทั้งวัน ต, ตาหูจมูกลิ้นที่จิตของเรามันว่าไหวไปโดยเพราะความคิดมันจะเกิดขึ้นทียิบเวลาเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราก็รู้แล้วรู้อีกรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยมันก็จะเป็นอารมณ์ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปใหม่ๆฝึกหัดปฏิบัติมันจะมีความคิดที่เป็นมลพินเครื่องเจ้าหมองที่มันเป็นตะกอนนอนต้นเกิดขึ้นมาความโกรธ โทสเนี้ยนะหรือว่าความรู้ความรักความชังมันจะเกิดขึ้นไหเป็นอารมณ์แต่ละลมหรือว่าความม่วงนิวรธรรมมันจะแสดงขึ้นมาอย่างมากมายเหลือเกินความเบื่อความเซ็งตัวนี้ยมันจะเกิดขึ้นไหอย่างพวกเราอยู่ร่วมกันหรือว่าพระบวชใหม่นะั้นผมและอาตมาก็เคยตอนที่บัญชาใหม่ๆแล้วก็มาบวชเดือนแรกเนี้ยจเจนว่าช่วงเดือนแรกเนี้ย มันต้องการกรรยะาณมิตรอย่างมากเพราะว่ามันมาอยู่คนเดียวมารู้สึกว้าเหวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มั่นใจในตัวเองป่าป่านี่มีศัสตร์ลาสิ่งต่างๆมากมายทั้งที่เราเคยเห็นทั้งที่เราไม่เคยเห็นบางทีมันก็รู้สึกไม่มั่นใจอย่างเช่นว่าที่นี่มีงูเยอะมากเลยเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพอมาอยู่ป่างูเขียวก็มีงู ตรงอางก็มีงูเห่าก็มีงูทําทานก็มีงูทางมะพร้าวก็มีมีงูมากมายกันงูกระป๋าก็มีหมูสามเหลี่ยมก็มีการนี้เราก็ไม่รู้ว่างูตัวไหนปลอดภัยงูตัวไหนไม่ปลอดภัยเราไม่ได้มีความชมานาญในการอยู่กับสัตว์การนี้บางทีเขาก็เลื้อยมาเราก็วันไหวแล้วบางทีงูเหลือมก็เลื้อยมาบางทีตัวแลนก็คลานมาหาบางทีตัวนิ่มก็คลานมาหา ตัวบึง่งตัวมดตัวกต่างๆมากมายเราก็รู้สึกว่าไม่คุ้นชินเมื่อเพียงคืนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยื่นเต็มตัวเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดมันเป็นผื่นแล้ ว, ลวน้ําเหลืองมันก็เยิ้มขึ้นมารักษาไม่หายตอนใช้เวลานานมากก็ต้องทําใจเอาเรียกว่ายอมเจออะไรก็ยอมก็เรียกว่าฝึกความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆใช่สิ่งเหล่านั้นนะเป็นครูใช้ธรรมชาติเป็นครู สิ่งแวดล้อมเป็นครูที่นี่ก็ถือว่ามีสปายะหมองพอสมควรในยุคปัจจุบันเสนาสนะพอสมควรอาหารพอสมควรอากาศก็สบายถนนหนทางที่นั่งที่เดินที่ยืนห้องน้ําห้องข้าสะดวกน้ําไปก็เรียกว่าไม่ถึงการอัตคัดแล้วก็ทําให้เราลําบากเกินไปนักนะเราก็จึงเรียกว่าสมควรแก่การแก่เวลาแล้วขนาดนี้ที่เราได้ใช้ โอกาสนี้ที่จะฝึกตนสอนตนกันสิ่งสำคัญก็คือให้เรามีการลยันมิตรเข้าไว้การละยันมิตรก็คือเพื่อนที่รู้ใจของเรานะี่ยเป็นเพื่อนที่เราสามารถปรับทุกข์ได้หรือว่าเวลามีปัญหาใดๆก็ตามก็สามารถที่จะบอกกันผมไม่สบายครับผมเก็บอารมณ์ครับผมจะออกไปข้างนอกครับผมวานฝากไปซื้อของหน่อยครับพวกนีนะ้อันนี้ก็เรียกว่าการลยานมิตร พอหายไปคนหนึ่งเราก็ถามกันว่าเอออีกคนหนึ่งไปไหนนะตอบได้ทันทีนก็ขอให้มีการยาณมิตรกันเข้าไว้คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายภาษาของคนก็กลับบ้านได้อย่างงี้ยก็ถือว่าทางเดินสู่มรรคผลนิพพานเราก็ต้องการการยาณมิตรนี่ยเพื่อจะเป็นทั้งบทของปรมจรย์ต่อไปเราก็จึงใช้ทั้งบุคคลภายนอกศาตว์สาราสิ่งต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติทั้งปวง รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติมาพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้เดินทางยิ่งๆิ่งขึ้นไปก็ให้ถือว่าชาตินี้เป็นชาติที่เรามีบุญแล้วก็มีวาสนามีความโชคดีที่จะตอบบุญวาสนาเป็นเรื่องของการเจริญในธรรมเจริญสติเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญามีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวตัวนี้เบื้องต้นก็คือให้เรามีความรู้สึกตัวเข้าไว ผู้ใหม่นะตอนนี้ผมเลือมตมาก็จะพูดถึงว่ารูปแบบการปฏิบัติที่วัดป่าสุกโต14ปีที่ได้สัมผัสก็คือการฝึกหัดลิกมือนั่งสร้างจังหวะเม้าเลื่อนไหวก็เพื่อให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันขณะจิตเคยไหลแปอดีตไปอนาคตไปอยู่กความคิดการปรุงการแต่งอยู่กับอารมณ์รัมากมายเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมตอนนี้เราฝึกให้มารู้อยู่กับสัมผัส ในกรอบในรูปแบบการพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือไปรู้สึกตัวมาวางไว้ที่สะดือรู้สึกตัวอันนี้เบื้องต้นเลยนะพลิกมือซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกมือขึ้นไปรู้สึกตัวเคลื่อนมาวางไว้ที่สะดือรู้สึกตัวมือขวาเคลื่อนมาที่อกรู้สึกตัวออกไปก็รู้สึกตัววางตั้งไว้รู้สึกตัวคว่าลงก็รู้สึกตัวมือซ้ายเคลื่อนมาที่อกรู้สึกตัวออกไปก็รู้สึกตัวตั้งไว้ก็รู้สึกตัวคว่ำลงก็รู้สึกตัว ตามอย่างนี้รอบแล้วรอบเล่าขนังเดียวรู้สึกตัวขนังเดียวรู้สึกตัวเพื่อจิตของเรานําออกมาจากการปรุงการแต่งที่เป็นนามธรรม <c oughs> ก็คือความคิดน่ยนะให้ออกมาอยู่กับกายของเราธาตุสี่ที่เป็นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมันเป็นตัวสัมผัสรู้สึกตัวนี้ก่อนจนทั้งมันเคลื่อนไหวความเป็นเองเราก็รู้สึกกระพิษตาหายใจหรือว่า นั่งคนกระทบพื้นก็รู้สึกอันนี้จะทําให้เราปลอดโปร่งโล่งสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าชีวิตที่ใช้รูปแบบนักบวชมีความสุขไม่ค่อยร้อนรนเรารู้สึกพอดีพอดีพอใจพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่ได้ผลขวายให้มันจะเกิดขึ้นมาก่อนระดับแรกหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆมันก็ว่าปรับเข้ากับกิจวัตรประจําวัน จะล้างห้องน้ําห้องท่าหรือว่าทํางานทําการหรือว่าจาบันต่างๆมันก็จะมีความรู้สึกตัวเติมเข้าไปด้วยมีสติปัญฐานรู้ปัจจุบันขณะที่ไกลพี่ใจนะไปด้วยไม่ ว, ว่าจะเป็นบินบาบัดขวาลันวัดหรือว่าในการที่จะเก็บขยะทํางานทําการใดๆก็าตามเช็ดขวดปัดถูมันก็จะใส่ความรู้สึกตัวไปด้วยจนกระทั่งเราสามารถที่จะเหมือนกับว่า รู้ปัจจุบันขณะได้บ่อยๆรูปปัจจุบันขณะได้นานๆที่การเคลื่อนไหวของกายอะไรนั่นจะเห็นจิตที่มันว่า ไ, ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจางหนกเลี้ยงกายใจบ้างไปคิดบ้างอะไรพวกนี้หรือว่าหลงไปในอารมณ์บ้างรา อ, อกลับมาอีกหลงไปกลับมาหลงไปกลับมาเนี้ยมันจะมีความชํานาญขึ้นหนึ่งวันสองวันสามวันเดือนอาทิตย์2อาทิตย์สามอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือน2เดือนสาเดือนมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาสูงสุดเลยทีเดียว เป็นเรื่องของการที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เป็นวันเปรณาการเข้าพรรษาเราก็จะใช้เวลานี้เลยหรือโอกาสที่จะเปรนาเข้าพรรสาร่วมกันทั้งพระทั้งโยมเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการที่จะเดินบิณาบาตต่อไปเพราะนั้นเดี๋ยวเราหมู่พัดสงก็กลับหลังหันเดยตั้งนโมตัสสะแล้วกล่าวคำว่าอิมัจฉมิงอาวาเสีอีมังเตมาสังวาสังอุปเณมิ อิมัจจมิงอาวะเสอิมังเตมาสังวัดสังเปมิอิมัตจมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังเปมิแล้วผสมตั้งพวงเมื่อเพื่อนกล่าจบเรากล่าวคำสาทุ่ต่งๆพร้อมๆกันเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับหลังหันเพื่อปราณนาท์ข้าบรรษาร่วมกัน